Mm ¶¶ -hmm.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 ทุกสิบสองประการนี่แหละหรือว่าทุกสิบสองอาการความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพ่านจากสิ่งที่ราที่พอใจนะปรารถนาอย่างไรแล้วไม่ได้อย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็น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 มาขอให้ท่านช่วยปลดทุกข์ให้เพราะคิดว่าท่านเนี่ยมีความสามารถพิเศษทางจิตนั่งทางไหนได้อยท่านบอกท่านไม่ได้นั่งทางไหนอะไรเลยนะท่านก็อาศัยคําสอนของพุทธเจ้าด้วยเพราะไอ้ข้อความที่สวดธรรมวัดเช้าทุกเช้าทุกเช้านั่นแหละก็คือข้อความที่พึ่งอ่ะ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 สิองลักษณะเนี่ยนะมันไม่เพียงแต่ช่วยทําให้บําบัดความทุกข์ทางโลกเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังสามารถช่วยบําบัดความทุกข์ทางใจไม่ใช่ของใครนะของเราเองจะใช้ความรู้นี้เพื่อช่วยบําบัดความทุกข์ของผู้อื่นก็ได้แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือบําบัดความทุกข์ในใจของเรา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 พรนะพุทธเจ้าก็ต้องประสบนะกับความทุกข์ลักษณะนี้แต่ว่าความโศกความร่ำไรลําพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเสมอไปหรือตลอดไปนะเราสามารถที่จะก้านวะข้ามนะความโศกความร่ำไรลําพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจไดนะ้ถ้าเรา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 ชิ้นส่วนเนี่ยนะอันแดนหนึ่งมันเสียไปเนี่ยมันทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นภายในระบบของรถยนต์เนะขาเรียกว่ามันไม่เป็นปกติมันรวนไม่เป็นไม่เป็นระเบียบนะภาษาฝรั่งอธิบายดีมากใช้คว่าถ้าเสียก็ใช้ว่า out of order out of order คือว่ามันไม่เป็นระเบียบแล้วมันรวนแล้วนะอันนี้แหละก็เรียกว่าอ่า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 แต่ทำไมถึงมีคำว่าอุปาทานขันหรือว่าขันซึ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็เพราะว่าถ้าไปยึดมันเมื่อไหร่ไอคนยึดก็จะทุกไปด้วยนความทุกข์ของสิ่งที่ถูกยึดนะมันก็ลามาสู่คนที่ไปยึดมันนะเรียกว่ามันมันถ่ายทอดนะความทุกข์ของเดิมมันทุกอยู่แล้วพอไปยึดมันเนี่ยไอคนไปยึดนี่ทุกเลยนะ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 อยากให้มันหนุ่มมันสาวไม่แก่อยากให้มีสุขภาพดีนะพอไปยึดมันเข้าว่าเป็นเราเป็นของเรานะไปะยึดว่ามันเที่ยงไอ้ร่างกายที่มันบีบคั้นใจเราแทนเลยคือพอมันเริ่มผมงอกพอเริ่มเหี่ยวนะไอ้เราซึ่งไปบีบซึ่งไปยึดถือมั่นในร่างกายที่เราเครียดเราทุกเรานอนไม่หลับ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 ทำให้เกิดขึ้นก็เหมือนกับรถยนต์นั่นนะมันเกิดขึ้นได้เพราะมีชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันร่างกายของเราก็มีเอาแวะเอาแวะต่างๆเนี่ยเล็กน้อยมาประกอบกันเป็นร่างกายซึ่งบางทีท่านก็ทิบายง่ายๆว่าประกอบด้วยอาการสายพสองหรือบางทีก็ย่อให้สั้นก็คือดินน้ำไฟลมที่เราพิจารณาอาการ3าสองเนี่ย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 ทอดไปทีละส่วนทีละส่วนมันก็เหลือแต่ความว่างนะความว่างในที่นี้คือว่างเปล่าจากตัวตนนะแต่ที่เราเรียกเก้าอี้เพราะเรามาเป็นคาสมมติใช้เรียกองประกอบที่มารวมกันว่าเก้าอี้เหมือนกับเราเรียกชิ้นส่วนต่างๆที่มารวมกันว่ารถเราเรียกชิ้นส่วนที่มารวมกันว่านาะฬิกา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 ถามว่ากำปั้นนี่มีจริงหรือเปล่านะตัวตนกำปั้นมีไหมลองคลายนิ้วออกเลเหลืออะไรเหลือความว่างกำปั้นเนี่ยจริงๆไม่มีนะตัวตนกำปั้นไม่มีแต่ที่เราเรียกกำปั้นเนี่ยก็คือเราเรียกอาการของนิ้วที่รวกเข้าหากันเมื่อนิ้วมือรวบเข้าหากันเราก็เรียกสิ่งนี้ว่ากำปั้นนะกำปั้นคือคำเรียกคำสมมตนะิที่ใช้เรียก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 เมื่อไม่ยึดมันมันเสื่อมไปมันดับไปเราก็ไม่ทุกขนะ์ที่จริงแล้วมันก็ทั้งคําว่าเราเนี่ยมันก็ไม่มีนะเพราะว่าหรือถึงมีก็มีโดยสมมุตินะแต่ที่มันมีเรามีเรามีเราอยู่ตลอดเวลาก็ยังมีความสําคัญมั่นหมายว่ามีกูอยู่เมื่อได้สําคัญเมื่อได้เห็นว่ามันไม่มีกูความจริงมันมีแต่รูป ก, กับนามมีแต่กายกับใจ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 น า, นามก็ไม่ใช่เราความคิดความโกรธก็ไม่ใช่เรานิสติปฐานสี่เนี่ยนะที่อธิบายง่ายๆว่าเห็นกายในกายเห็นพิจารณ า, ากายในกายพิจาราเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยความหมายนึยคือว่าเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เรา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 จิตมันก็วางสลัดคืนสู่ธรรมชาติไปสลัดคืนแต่การสักแต่กอนมันยืดเป็นของเราเป็นของเราแต่ต น, นี้สลัดแล้สลัดคืนให้เป็นของธรรมชาติจิตก็ปลอดโปร่งใจก็พ้นทุกอันนี้แหละก็เริ่มต้นจากการที่เห็นเห็นความจริงขั้นพื้นฐานคือเห็นทุกนะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นตัวทุกนะไม่มีอะไรที่จะน่ายึดถือได้เลย